ถ้าท่านดูดาวเหนือวันนี้ค่ะเอ็นจอยกับมันใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะอีกประมาณ 5,000 ปีลูกหลานเราก็จะต้องใช้ตำแหน่งอื่นละ อ, อีกหมื0 0สามพปีใช้ดาวอื่นแน่นอนแล้วก็ต้องรอจน ก, กระทั่ง2 6ง0 0ืปีเนี่ยมันถึงจะกลับมาเป็นดาวโพลาริสอีกครั้งนึงและมันไม่ใช่แค่โรแมนติกนะครับดาวเหนือเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเสมอและพวกเราเนี่ยได้มองเห็นในยุค ข, ของพวกเราเนี่ยมันเป็นความหมายของพวกเรามันโรแมนติกใช่ไหม ม, มันยังโรแมนติกขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกมั้ง รู้หรือเปล่าว่าดาวเหนือเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่ระบบดาวดวงเดียวมันไม่ใช่ดาวเริกดวงเดียวนะมาถึงดาวเหนือไม่ได้มีแค่ดวงเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้อง You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ไ ด, ได้ในโลกลวนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ว่าถ้าเวลาเข้าป่าเนี่ยต้องมองหาดาวเหนือแล้วถ้าเราหลงป่าเราก็จะแบบหาทิศหาทางเจอไม่หลงนะคะแต่ว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยไอดาวที่เราคิดว่ามันเป็นดาวเหนือเนี่ยเรามองถูกดวงหรือเปล่าจะรอดหรือว่าจะตายอยู่ในบาเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวมาหาดาวเหนือให้ถูกดวงด้วยกันกับใดๆในโลกล้นฟิสิกส์นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัตเโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวรงจันทมาศครับถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าพี่ปองแปงฟังรู้สึกว่า เขาจะสอนว่าให้เราตามหาดาวเหนือเนาะจริงๆแล้วดาวเหนือมันเกี่ยวข้องกับแบบการหาทิศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับการนักเดินทางเนี่ยต้องรู้จักดาวเหนือไว้โอ้ยสําคัญมากมแต่ผมอยากจะแนะนําคนที่เข้าป่าว่าก่อนจะหาดาวเหนื อ, อเอาเข็มทิศไปจบนะใช่เพราะถ้าคุณมีเข็มทิศนะจบอืและถ้าคุณมีเข็มทิศสำรองคือเข็มทิศเดิมหายอื ไอ้สัมลองก็ทำงานอยู่จบเหมือนกันตอนนี้ปิดได้เลยไม่ต้องเริ่อีกกลับบ้านไปเลิกดังนั้นเนี่ยดาวเหนือเนี่ย ม, มันสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ในยุคที่มนุษย์ไม่มีเข็มทิศด้วยนะหรือเข็มทิศหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> หรือว่าต้องแบ็กอัพต้องอะไรอ่ะโอเคอันนี้มีประโยชน์ละเพราะว่าดาวเหนือเนี่ยถ้าเรามองเห็นดาวเหนือนะครับมันจะอยู่ตรงทิศเหนือเสมอโดยที่ตัวมันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลย มันจะอยู่ที่เดิมเสมอไม่ว่าจะเป็นกลางวันค่ะหรือกลางคืนมันจะอยู่ที่เดิมนะตำแหน่งนั้นเขาเลยเรียกมันว่าดาวเหนือตามตามสิ่งตำแหน่งที่มันอยู่ใช่แต่ลองนึกภาพนะคือโลกของเรามันเป็นกลางวันกลางคืนแล้วดาวเนี่ยมันจะหมุนไปรอบๆบเราจะเห็นดาวมันหมุนรอบตัวเรานะฮะหมุนไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะรอบๆบดาวเหนือตลอดดาวมันมีขึ้นตกดวงที่ดวงจันทร์ก็มีขึ้นตกอะไรพวกนี้ดาวเหนือเนี่ยไม่ขึ้นไม่ตกอยู่ที่เดิมอ๋อเออก็มีคนชอบเปรียบประมาณว่าแบบ ดาวเหนือก็เหมือนเพื่อนนะเราก็อยู่ตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ย hmm. <c oughs> เฟรมโซนไปอีกตอนตรงกลางวันมันก็อยู่ตรงนั้นนะฮะ <c oughs> แค่เรามองไม่เห็นเพราะแสงอาทิตย์มันมันกลบดาวเหนือไปนะ oh, แปลกมากเลยค่ะแปลกไหมแล้วก็ hmm. แต่สิ่งที่ช่วยห า, าทิศนะนอกจากดาวเหนือแล้วยังมียังมีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ด้วยนะ hmm. อื ม, อมแต่ก็ต้องยอมรับดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์มันโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาอันนั้นก็เป็นทิศอะไร ตะวันออกแอะช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกก็จะเป็นตะวันตกตะวันตกแต่มันไม่เป๊ะนะอหมายความว่าในหนึ่งปีเนี่ยวันที่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นแบบตะวันออกเป๊ะๆเลยเนี่ยมันมีไม่กี่วันเองอะนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นเฉไปนิดหน่อยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ใช่แต่ดาวเหนือเนี่ยเป๊ะที่สุดละอ่านะดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการหาทิศทางได้ดีมากเลยในการเดินทางที่ปราศจากเข็มทิศอะสมมุติว่าเราลืมเอาเข็มทิศไป แล้วหาทางออกไม่เจอต้องหาแบบทิศหาทางสมมตินะคะมองขึ้นไปเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าดวงไหนคือดาวเหนืออ่าตัดบอกขีดจากัดนิดนึงก่อนโลกของเราเนี่ยคิดว่าทุกจุดไหมที่เห็นดาวเหนือได้ไม่รู้ไม่แน่เลยอืมใช่อตรงไหนไม่เห็นดาวเหนือตรงไหนไม่เห็นดาวเหนือเหรอไม่รู้เลยอะพี่ทางใต้หรือเปล่าใช่ทางใต้ใต้ไหมคือลองนึกภาพโลกของเรากลมๆเนาะแล้วก็ แบ่งออกด้วยเส้นศูนย์สูตรมีซีกด้านบนเขาเรียกซีกโลกเหนือนะฮะครึ่งครึ่งด้านบนเขาเรียกซีกโลกเหนือซีกโลกเหนือเนี่ยเห็นดาวเหนือได้หมดเลยส่วนซีกโลกใต้เนี่ยไม่เห็นเลยเพราะว่าดินมันบังอยู่ไงดังนั้นประเทศที่อยู่ซีกโลกใต้จะไม่มีคำสอนนี้ว่าเข้าป่ามองหาดาวเนอมันมองไม่เห็นเขาจะใช้กลุ่มดาวกันเขนใต้ซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเพราะประเทศ <ฮะ S 1> ไทยเราอยู่ซีกเหนือเนาะทีนี้หายังไง <ฮะ S 1> เอาอย่างนี้ก่อนมันอยู่ตรงไหน ม, มันแล้วแต่ว่าเราอยู่ห่างจากเส้นศูนสูตรเท่าไหร่อย่างกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ1 3บ4องศาเหนือนะครับจากเส้นศูนย์สูตรเนาะดังนั้นดาวเหนือจะอยู่ห่างจากขอบฟ้าประมาณ1 3บ4ามสิองศานะเ <ๆ S 1> ชียงใหม่สูงขึ้นไปอีกดังนั้นเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ1 8บแองศาเหนื อ, อดังนั้น ดาวเหนือก็จะยิ่งสูงจากขอบฟ้าขึ้นมาที่สิบ9ปดสิบเก้าองศาแล้วยลาล่ะก็จะต่ำลงมาในทางใตถูกต้องเพราะว่ายลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหถึงเจ็องศาเหนือดังนั้นมันก็จะอยู่สูงขึ้นมาอยู่ที่หกถึงเจ็องศาเหนือแต่เราพูดกันเป็นองศาเนาะพี่ปองแปงแล้วในชีวิตจริงมันมันจะวัดยังไงก็วัดได้ด้วยเครื่องวัดองศาครับอืมก็ ต้องพกเครื่องวัดองศาเข้าป่าแต่ก็ลําบากอีกเนาะแต่จริงจริงมันก็มีวิธีที่จะช่วยในการวัดองศาอย่างง่ายดูรูปนี้ครับเคใช้นิ้วมือของเราเหรอคะใช้มือของเรากับนิ้วของเราเนี่ยช่วยในการวัดองศาอย่างง่ายคร่าวๆนะครับไม่เป๊ะนะแต่คร่าวๆน้องฟางก็ลองทําแบบนี้ดู่แล้วก็เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุดต้องสุดนะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ตรงจะเพี้ยนใช่ไหมคะหรือถ้ายืมแขนเพื่อน เช่นน้องฟางเหยียดออกไปแล้วผมไปมองกไไ็ไม่ได้เหมือนกันแขนใครแขนมัน อ, มอย่ายืมแขนกันค่ะเหยียดออกไปให้สุดในในขนาดกับไหลเราไหมคะอ่าจัดยังไงก็ได้แต่ขอให้มันสุดนะฮะโอเคขอบด้านหนึ่งถึงขอบด้านหนึ่งของการชูสมนิ้วแบบลูกเสือก็แล้วกันแบบนี้มันจะมีระยะเชิงมุมเขาเรียกห้าองศาเนี่ยนี่5้าองศาค่ะแล้วถ้ากาปั้นแบบนี้ขอบนี้มายัางขอบเนี้ย อยู่ที่สิบองศาอ่าเนี่ยจะขอบนี้มาขอบนี้น้องฟางจะเห็นเป็นสิบองศาดังนั้นถ้าไปยะลาแล้วน้องฟางอยากหาดาวเหนืออก็เหยียดกําปั้นไปขอบล่างแตะขอบฟ้าดาวเหนือมันจะอยู่แถวแถวไม่ถึงขอบบนอยู่แถวแถวเพราะมันจะหกเจ็องศาก็อยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมอ่ะและอันที่ควรรู้ครับคืออันนี้ครับอันนี้ถ้าสับสนนะเดี๋ยวจะงงกับคาราบาลก็ทําเป็น I love you แล้วเอา love you เข้าไป แล้วเราก็จะมีแค่นี้ค่ะขอบนี้มาถึงขอบเนี้ย15องศาเราก็ตั้งอย่างงี้ถ้าเวลาใช่ตะแคงอะไรก็ได้นะครับดังนั้นกรุงเทพเนี่ยดาวเหนืออยู่ห่างขึ้นมาประมาณเท่าไหร่จะไม่ได้เท่าไรประมาณ13 14องศาดังนั้นก็เอานิ้วก o ้ยเนี้ยแตะเข้าไปที่ขอบฟ้าแถวๆนิ้วชี้เนี้ยจะอยู่ที่จะเห็นดาวเหนือโอ้ก็พอจะคร่าวๆได้แล้วแหละว่าเราเราเจอแต่นอกจากวิธีการที่โอเคเราใช้ องศามาวัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราสังเกตจากอย่างอื่น<อ>ได้ไหมคะได้แน่นอนนะครับก็ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับการดูดาวหรือมีแผนที่ดาวหรือมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูดาวก็อาจจะใช้แอปที่มีชื่อว่าสตาร h a r t หรืออะไรเงี้ยเขามีให้โหลดฟรีนะก็ลองไปเล่นกันดูก็จะลองมองหากลุ่มดาวชื่อกลุ่มดาวมีเล็กอดาวมีเล็กแล้วน่าจะมีรูปให้ดูนะอในรูปนี้นะครับถ้าใครดูรูปนี้ก็จะเห็นว่า มันมีหมีตัวเล็กกับหมีตัวใหญ่หมีตัวเล็กก็คือหมีหมีเล็กถูกต้องถ้าเป็นหมีตัวใหญ่ก็หมีใหญ่อ่ะชัดเจนนะครับคือมันเหมือนกันแต่ไซส์มันต่างกันเฉยๆถูกต้องครับแล้วก็คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเป็นหมีเล็กกระ b ว o y ่ะเห็นเป็นกระ buoy ทำไมรู้ล่ะเราเคยได้ยินชื่อแต่เราจำไม่ได้หรอกพี่เหมือนกระ buoy ไหอเคยใช้กระบวย y ไหมทุกวันนี้กระบวยใช้ทําอะไรกระบวย คนขายน้ำไงน่าจะตักน้ำอะไรยาน้ตักน้ำแบบ <laughs> น้าสมุนไพรอะไรอย่างา <laughs> ใช้ตักของของเหลวได้หลายอย่างนะครับกระบวยกระบวยตักน้ำดาวเหนือเนี่ยมันจะอยู่ตรงหางหมีหรือถ้าดูถ้าดูถ้าใครฟังอดแคสต์เขาอาจจะไม่เห็นภาพมีคน <laughs> บอกผมว่าฟัง p ดแ c a s t ให้พูดเยอะ น้องฟังอธิบายลักษณะตัวนี้ให้ฟังได้ไหมคือเรานึกภาพกระบวยแหลยกระบวยมันก็จะมีตรงหัวกระบว o ที่เอาไว้ตักกับตรงด้ามใช่ไหมใช่ที่ปลายสุดของด้ามตักเนี่ยก็จะมีดาวดวงหนึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของนั้นค่ะเป็นปลายสุดของด้ามกระบว o y เขาก็จะเรียกว่าดาวเหนือซึ่งจริงๆดาวเหนือในทางดาราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวโพลาริสนะเป็นกลุ่มดาวที่ น้อนดาวเหนืออยู่ก็แล้วกันดังนั้นมองหากลุ่มดาวหมีเล็กให้เจอหรือกลุ่มดาวกระบวยตักน้าให้เจอก็จะหาดาวเหนือเจอแล้วแต่แต่แต่ข้อควรระวังครับคือเจ้าดาวเหนือเนี่ยหนึ่งเลยนะคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันสว่างมากเคยได้ยินนะเข้าใจผิดอยู่จนถึงทุกวันนี้เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่ามองหาดาวเหนือน่าจะเป็นดวงที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า no ก่อนอื่นเลยนะครับ ตัดดวงจันทร์ทิ้งดวงจันทรนะ์สว่างเนาะสว่างรองจากดวงจันทร์คือดาวอะไรครับเราเคยทําตอนนั้นด้วยดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดค่ะก็คือดาวศุกร์ไหมนะดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยสว่างจัดเลยแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะที่สว่างสว่างส ว, งสวง่ไล่เลียงลงมาดาวเหนือถึงจะเจอคือสว่างเนาะสว่างน้อยสลัวแล้วกันเอางี้สมัยผมทํางานด้านดาราศาสตร์่ะพี่ๆในออฟฟิศเขาชี้ดาวเหนือให้ดูผมยังแบบ แทบไม่เห็นน่ะเล็กมากคือสลัวมากแต่เห็นนะจะสลัวมากแต่ไม่ได้สว่างที่สุดนะครับอันนี้คุณครูน้องๆหนูๆรู้ไว้เลยนะครับมันไม่ได้สว่างที่สุดอฟังเห็นในในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ติดท็อป10ความสว่างของแบบไม่ติดไม่ติดไม่ติดสว่างน้อยดังนั้นถ้าคุณเข้าป่าแล้วคุณหาดาวที่สว่างสว่างแล้วบอกว่านั่นอ่ะคือดาวเหนืออ่านจะไม่ได้ออกจากป่านั้นอแต่ว่าไม่ควรดูจากความสว่าง ต้องไม่ดูจากความสว่างดูจากกลุ่มดาวมีเล็กแต่ที่บอกว่าข้อควรระวังอีกอย่างนะก็คือว่ากลุ่มดาวมีเล็กไม่ได้หาง่ายเหมือนกันคือกลุ่มดาวมีเล็กมันไม่ได้โดดเด่นนักครับแล้วมันชอบไปโผล่แถวแถวขอบฟ้าแล้วขอบฟ้าชอบเจออะไรถ้าเข้าป่าบังด้วยต้นไม้บังด้วยต้นไม้บังบังด้วยอะไรเนินมันโดนบังง่ายมากแล้วขอบฟ้าชอบมีมีพวกเมฆเมกเลยไปเกาะกลุ่มอ่ะมันก็จะแบบหายากดังนั้นจะหาดาวเหนือให้เจอไม่ใช่ง่ายครับ พกเข็มทิศเถอะแต่ถ้าไม่ได้พกเข็มทิศจริงๆนะหากลุ่มดาวอื่นง่ายกว่าเช่นกลุ่มดาวนายพรานเคยได้ยินไหมอืมเคยได้ยินค่ะอกลุ่มดาวนายพรานหรือโอไรออนค่ะอันนี้ก็ฝรั่งมองคนไทยก็จะมองเป็นดาวเตาว่าดาวไทยอเอาเป็นว่ามันช่วยในการหากลุ่มดาวหมีเล็กได้และอีกกลุ่มดาวหนึ่งที่ใช้ง่ายกว่าก็คือกลุ่มดาวแคสเซโอเปียแคสเซโอเปียเนี่ยถ้ามองเป็นกลุ่มดาวมันจะเป็นรูปตัวเอ็มะ ซึ่งคนไทยเขาจะเรียกว่ากลุ่มดาวค้างข่าวจริงๆผมชอบการเรียกแบบไทยนะชัดเจนกระบวยก็กระ buoy กระ b u o คือเป็นกระ buoy ข้างขาวคือยังเป็นข้างข่าวอะมันหมีเล็กอะไรคือ ม, มันไม่มีไงมโนไงมโนจินตนาการคือคนคนในยุคโบราณเขาตั้งเอาไว้ช่วยในการจดจำอไนะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้<ห>ดังนั้นหาดาวเหนือหนึ่งคือมันไม่ได้สว่างที่สุดมันค้อนข้งสลัวเรื่องที่สองคือ ถ้าหากลุ่มดาวหมีเล็กไม่เจอไปหากลุ่มดาวอื่นเพื่อมองหาก็ได้เช่นกลุ่มดาวในพรานหรือกลุ่มดาวแคสิโอปีหรือกลุ่มดาว ข, า, ขาวเดี๋ยวก็เจอดาวเหนือไม่ยากโอเคแต่ทีนี้มีหนคำถามว่า เ, ออเหมือนเราคุยกันตอนต้นว่าให้ดาวดวงอื่นๆเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะมีการเคลื่อนที่เนาะแต่ทำไมดาวเหนือมันถึงอยู่ที่เดิมกลางวันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนเลย มันทำไมไม่เคลื่อนที่เหมือนดาวดวงอื่นทำไมใช่ไห ม, อ, มอันนี้ผมมีหลักฐานด้วยลองดูรูปนี้ภาพนี้ครับสวยงามมคนที่ชอบถ่ายดาวเนี่ยเขาจะเรียกภาพแบบนี้ว่า star trail ถ้าท่านใดฟัง o อ c แต t อยู่และไม่เห็นรูป่ะน้องฟังบรรยายรูปนี้นิดนึงฮะ เรียกได้ว่าเรานึกถึงภาพเชิงการท่องเที่ยวในหนึ่งละกันนะคะที่ตั้งกล้องถ่ายดวงดาวแล้วเราก็จะเห็นไว้นานๆเลยเห็นดวงดาวเนี่ยเมันเป็นเส้นนะเป็นเส้นวงต่างๆเนี่ยเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยดูสวยงามแต่ถ้าเราไปซูมดูรูปส Star Trail นะฮะมันจะมีศูนย์กลางการหมุนอยู่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะหมุนไปรอบๆจุดตรงกลางอยู่และถ้าเราไปซูมดูภาพสตาร์เทรลเนี่ยเราจะเห็นจุดเล็กๆที่แทบจะไม่ขยับเลยแล้วกันคือขยับนะ แต่น้อยนั่นแหละคือดาวโพลาริสหรือดาวเหนือคือมันแบบในขณะที่ดาวดวงวอื่นเนี่ยหมุนเป็นเส้นหมดแล้วนะหมุนเป็นวงใหญ่เลยวงใหญ่เลยอันนี้วงนิดเดียวหรือแทบจะไม่เห็นเลยถ้าไม่ซูมนั่นแหละคือโพลาริสหรือดาวเหนือดังนั้นมันจึงอยู่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละมันขยับนิดเดียวเองแต่ว่าน้อยมากนะครับถามว่าทําไมมันถึงไม่ขยับใช่ไหมถามก่อนว่าทําไมดาวถึงขยับดีกว่าเพราะมันน่าจะโคจรรอบอะไรบางอย่างไหมอะ เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปโลกของเรามันหมุนรอบตัวเองอ๋อไมไ่เกี่ยวกับดาวใช่ดาวเนี่ยมันอยู่ของเขาแล้วเขา โ, โลกเราหมุนเราก็เลยเห็นว่าดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันหมุนรอบตัวเราบนโลกโแต่ทีนี้ดาวเหนือมันไปอยู่ในจุดพิเศษจุดหนึ่ง<ะ>คือมันไปใกล้จุดที่เรียกว่าขั้วฟ้าเหนือมากมากฟังแล้วอาจจะงงนึกอย่างนี้ฮะมองโลกเป็นลูกข่างก่อนเลยนี่ลองจินตนาการครับว่าโลกเป็นลูกข่างเคยเล่นลูกข่างไหม ลูกหแล้วก็หมุนตอนเด็กๆค่ะครับ <c oughs> มันจะมีแกนอยู่ใช่ไหมลูกหางแกนลูกหางก็คือแกนหมุนของโลกเนี่ยนะหมุนแล้วมีแกนอยู่แกนหมุนของโลกเนี่ยถ้าพุ่งขึ้นไปนะฮะมันไปปะกับดาวเหนือพอดีอมันก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากการหมุนของโลกถูกจุดอื่นเนี่ยเราเห็นขยับหมดแต่อันนี้มันอยู่ตรงแกนลูกหางพอดีชี้ขึ้นไปเจอพอดีแล้วมันอยู่ไกลามากไกลซะจนต่อให้โลโครจรรอบดวงอาทิตย์ มันเทียบกับความไกลแล้วมันแทบไม่ส่งผลอะไรดังนั้นมันก็เลยอยู่ที่เดิมอมตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันไปอยู่ตรงปลายของแกนหมุนมเนื้อออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังก็ว่าถ้าเปรียบกับลูกหางให้ดีเนี่ยน้องฟางเคยเห็นลูกหางเวลาหมุนเนี่ยสังเกตไหมว่าช่วงใกล้ๆมันจะล้มเนี่ยมันจะมันจะส่ายแบบเนี้ย ม, มันจะหมุนๆแบบเวอ่อ แล้วมันจะสายเงี้ยสักพักมันก็จะเงีๆๆๆๆแล้วมันก็นจะล้มลงไปออไอตอนที่มันเริ่มสายเนี่ยโลกของเราตอนนี้มันสายน ะ, ะมันมีการสายของแกนคือแกนเนี่ยมันไม่ได้หมุนที่เดิมตลอดอย่างนี้แต่แกนของมันมีการสายเขาเรียกว่าเกิด precession เป็นปรากฏการธรรมชาติเป็นปรากฏการธรรมชาติะนะครับซึ่งก็เจอเข้กันมานานแล้วล่ะแต่ทีนี้การสายนี้เนี่ยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้มากนักนะฮะแต่ มันส่งผลแน่นอนเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปนานๆเข้าสัก 5,000 ปีเนี่ยแกนจากเดิมที่เคยชี้ดาวเหนือมันก็จะไม่ชี้ดาวเหนือแล้ว<อ>แล้วถ้าผ่านไปสัก1มื่นปีเนี่ยมันชี้คนละทางเลยนั่นหมายความว่าในอดีตที่อรารยธรรมมนุษย์เคยมีสักประมาณ 5,000 ปีก่อนหรืออะไรเงี้ยดาวเหนือไม่ใช่ดาวโพลาริส<อ>แต่เป็นดาวอื่นผมจาไม่ได้มันอาจจะเป็นพวกดาววีกาดาว อะไรพวกนี้ก็คือเปลี่ยนไปตามปรากฏการณ์หมุนการสายของแกนโลกใช่การสายเนี้ยมันจะกลับมาครบรอบทุกๆ 26,000 ปีดังนั้นถ้าท่านดูดาวเหนือวันนี้เอนจอยกับมันใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะอีกประมาณ 5,000 ปีลูกหลานเราก็จะต้องใช้ตำแหน่งอื่นละอีกหม0 0นปีใช้ดาวอื่นแน่นอนแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งสอปีเนียมันถึงจะกลับมาเป็นดาวโพลาริสอีกครั้งหนึ่ง ม น, นมนติกลายเนจบโรแมนติกยังไงนะ <laughs> เดี๋ยวเดีวแป๊บนึงอธิบายเรามันติดไงดาวเหนือที่เรามองทุกวันนี้มั น, ม, นมันมีแค่คนยุคเราเท่านั้นแหละที่จะได้มองดาวเหนือในดวงนี้ว่าเป็นดาวเหนื อ, อแล้วมันก็จะมีความหมายสําหรับเราแต่ว่าในวันข้างหน้าไปทางนั้ น, น <laughs> เลยแล้วมันไม่ใช่แค่โรแมนติกนะครับดาวเหนือเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเสมอและพวกเราเนี่ยได้มองเห็นในยุคของพวกเราเนี่ยมันเป็นความหมายของพวกเรามันโรแมนติกแล้วใช่ไหมมันยังโรแมนติกขึ้นไปกว่านั้นอีกมั้ง รู้หรือเปล่าว่าดาวเหนือเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่ระบบดาวดวงเดียวมันไม่ใช่ดาวเรือดวงเดียวนะหมายถึงดาวเหนือไม่ได้มีแค่ดวงเดียวอย่างนี้เหรอคะถูกต้องดูรูป<อ>นี้ครับดาวโพลาริสเนี่ยเราเห็นเป็นจุดเดียวก็จริงแต่จริงๆมันไม่ใช่ดาวดวงเดียวเราเห็นเป็นดาวดวงเดียวเพราะขีดจํากัดการมองของเราดวงตาเราเนี่ย<อ>ไม่ได้มีกําลังแยกภาพที่ดีพอถ้าเราใช้กล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่มากๆเราจะเห็นดาวโพลาริสเนี่ยเป็น Polaris A กับ Polaris B เนี่ยโคจรรอบกันและการเป็นระบบดาวนะฮะและถ้าเราแยกดีเข้าไปอีกน ะ, ะจาะเข้าไปจะพบว่า Polaris A เนี่ยยังมีคู่เล็กๆประกบติดหนึบอยู่เรียก p o l า s i s เออก็คือมี3เลยอคะ3เลยนะครับดังนั้นดาวเหนือแท้จริงแล้วอยู่ตรงนั้นเสมอและนอกจากนี้ยังมีถึง3ดวง โรจรรอบกันและกันแต่ลองนึกภาพอย่างนี้ถ้าเราเไปเที่ยวตอนกลางคืนหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเห็นไฟรถอยู่ไกลๆอะ่ะแล้วก็บางทีอาจจะคิดว่าอโมอโเตอร์ไซค์ขับเร็วจังเลยกำลังจะมาละแต่พอเข้ามาใกล้มากขึ้นเอา้าเฮ้ยจริงๆเป็นรถยนต์เว้ยเพราะว่าเป็นไฟไฟสองดวงแต่พอไกลมากๆอะ่ะมันมันรวมกันอ่ะเราแยกไม่ออกเราว่ามันมันสดวงหรือดวงเดียวเราก็นึกว่าดวงเดียวดาวเหนือเนี่ยก็เหมือนกัน เพราะมันไกลมากๆตาเราก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทํางานได้ดีร้อเรซ็นต์าก็เห็นว่าเอดวงเดียวหรือเปล่าจนกระทั่งมีกล้องที่ดีพอนะฮะก็เห็นเป็น2ดวงแล้วกล้องดีเข้าไปอีกตอนนี้เห็นเป็น3มดวงน่าทึ่งนะน่าทึ่งมากและดาวฤกษ์ส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเลยนะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นด้วยตานะส่วนใหญ่เป็นดาวที่มีมากกว่า1ดวงนะอ๋อแต่ด้วยข้อจํากัดของตาเราต่างหากที่<ช>ทำให้เรามองไม่เห็นมันว่ามันมีหลายดวงใช่และดวงอาทิตย์ ที่เป็นศูนย์กลางระบบสุริยะเนี่ยเป็นความพิเศษมากมันเป็นดาวเลือกดวงเดียวในระบบเราเนส่วนใหญ่แล้วดาวเรือบนท้องฟ้าหรืออะไรก็ตามมักจะมีเป็นระบบดาวถ้าไม่เป็น b บนา r y คือมีคู่ก็เป็น3บ้าง4บ้างอะไรบ้างนะครับแบบดวงอาทิตย์เนี่ยหาได้ยากเย็นอย่างยิ่งโรแมนติกไหมโรแมนติกอยู่ต้องมีคนเห็นด้วยบ้างแหละ ใครรู้สึกว่ามันโรแมนติกเหมือนกันก็พิมพ์เม้นต์มาบอกกันนะคะคแต่ว่าฟังตอนนี้แล้วนะคะคืนนี้ก็กลับบ้านไปดูดาวเหนือนะคะใช้วิธีที่พี่ป๋องแปงสอนนะคะหรือจะเปิดเข็มทิศก็ได้สุดแล้วแต่เพื่อที่จะได้มองดาวเหนือที่คนยุคเรานี่แหละที่จะได้เรียกมันว่าดาวเหนือเนาะวันข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกเป็นดาวเหนือแล้วก็ได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะใครที่ดูตอนนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ค่ะ YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะวั ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears